ขอน้อมน้อมส่คุณพระนาไตรครกาสเพื่อนสนับมิตร ท, ท, ท, ทุกท่านเจริญธรรมแมชีระยะทธรรมทุกท่านเนาะที่เราได้สวจจบไปคือธรรมจักกับบรมนาสูนนะอันนี้คืออาประถมมาเทศนาของพระเจ้าเป็นกานแรกในโลกนะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคำว่าธรรมจักก็คือการเอาเข็น พธรทมให้เป็นไปซึ่งเป็นการเข็นครั้งแรกเมเพราะนั้นในขณะนั้นก็คือพระเจ้าได้เคลื่อนธรรมจักรคือธรรมะที่เป็นสัตธรรมให้เริ่มโลดแล่นปรากฏขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกเนาะคราวนี้ทำไมมาเริ่มต้นที่ว่าให้เห็นถึงการสุดโต่งสองอย่างก็เพราะว่า ในสมัยนั้นะก็มีความนิยมในสองอย่างนี้แหละะคือประการแรกก็คือเเพลิดเพลินอยู่ในกามเนาะติดอยู่ในกามทั้งหลายแหล่นแล้วก็บางบางคนก็จะคิดว่าเออการที่เราเสพกามก็เมื่อเสพเ <c oughs> ต็มที่แล้วก็จะเกิดการเบื่อหน่ายนะเมื่อเบื่อเกิดการเบื่อหน่ายก็จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้ <c oughs> อันนี้พวกเจ้าบอกว่ามันมันไม่ใช่หนทาง นะมันเป็นทางต่ำนะเป็นสิ่งที่เชาวโลกนะชอบประกอบกันนะเป็นไม่มีทางที่พ้นทุกไปได้ <c oughs> อีกประการต่อมาก็คืออัตติกิรอว่าฐานโยกนะก็คือหนทางที่ประกอบตนให้ลำบากต่างๆอันนี้ก็คือนะอย่างกลุ่มปัญญวิีเป็นต้นนะสมัยก่อนที่ไปอยู่กับนพะู้เจ้าตอนที่ยังนะบําเพ็ญเพียรอยู่ กลุ่มปราชญ์พุทธคีก็นิยมพระพุทธเจ้าอดอาหารถึงสิบเก้าวันก็ชื่นชมมากเพราะนี่เป็นการทรมานตนอแต่เมื่อพระพุทธเจ้าอาหยุดอดอาหารมารับประทานอาหารปกติปราชญคีก็เห็นว่านี่ไม่ไม่ใช่หนทางแล้วก็เลยหนีมานะอันนี้ก็แสดงว่าในยุคนั้นมีการนิยมในเรื่องทรมานตนเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> เพราะนี่คือสุดโต่งสองทางเนี่ยมันไม่ใช่ทางพ้นทุก์แน่นอนเนาะ ก็เลยส่งแสดงทางสายกลางนะว่ามีอะไรบ้างคร น, นี้นะหัวใจสําคัญของธรรมจักรก็คือทรงแสดงอริรสัตตสีอริสัตสีนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าถึงกับตัดว่าจากการ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้านั้นไม่ไม่รู้อริยสัตสีมาก่อนนี่แหละจึงได้อเวียนไวไ้าตาเกิดในสังสารวัตันยาวนานเนาะ ครนนั้นะี้เนี่ยอย่างที่ได้เคยพูดไว้แล้วว่าอสิ่งสําคัญในบุษนานี้เมื่อแยกมาเป็นประเด็นแล้วก็คือสองอย่างทั้งนั้นเองนะคือให้รู้จักทุกข <c oughs> ประการต่อมาคือใหอ้ไปผัดเพื่อความพลดุนั้นนะอันนี้คือประเด็นสําคัญในเือริสัตตสีนั่นเองอเพราะว่าในอริสัตตีในข้อแรกก็คือทุกนะให้เรารู้จักความทุกนะประการที่สองก็คือสมุทยัย ให้เรารู้สาเหตุแห่งการเกิดทุกข์อันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มของความทุกข์แล้วก็อันที่สามคือนิโรธคืออการดับทุกข์อันที่สี่คือมรรคคือหนทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์อันนี้ก็คือหนทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็เป็นสองอย่างถ้าจะจํำง่ายๆเนาะแต่ถ้าจะยากก็คืออทุกข์นี่แหละเมื่อกี้ที่เราก็ได้สวดมาแล้วทุกข์นี่มีอะไรบ้างที่พระเจ้าได้ทรงยกตัวอย่างว่า ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความทุกข์ความโศกความลำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้งใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์ก็คือกายและใจนีแหละ คือตัวทุกขเนาะเพราะฉะนั้นความทุกขก็ต้องนะเราต้องรู้จักให้ได้เนาะเนี่ยมันเมื่อเมื่อมีกายมีใจมันต้องมีความทุกแน่นอน <c oughs> ถึงกับที่อมีการกล่าวไว้ว่ามีมีแต่ความทุกขเกิดขึ้นทุกนั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปเพราะฉะนั้นอ่อริสสติก็หมายความว่า <c oughs> อาริยสัตต์คืออะไรคือความจริงอันประเสริฐสประการนั่นเองเนะ ความจริงนั้นนะเพาราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวคือความจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นความทุกนี่แหละคือความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าความสุขคือความจริงแต่ความทุกขนี่แหละคือความจริงเนาะ <c oughs> ความทุกขเป็นเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้ให้ได้เพราะฉะนั้นนะกิจที่เราต้องทําเกี่ยวกับความทุกข์ก็คือเราต้องรู้จักความทุกข์เนาะความทุกข มันนอกจากที่ว่าความทุกข์กายทุกใจต่างๆเหล่านั้นแล้วก็คือประกอบไปด้วยอารมณ์ต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความอิจฉาความหึงหวงความเหงาความเครียดความกลัวความน้อยใจความเสียใจต่างๆเหล่านี้ลหละคืออารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้แหละคือความทุกข์ทั้งหมดเลยเนาะความทุกข์หรืออารมณ์ต่างๆก็เป็นสิ่งเราต้องรู้ให้ทันเนาะ เพรา ะ, ะนั้นการที่เรามาฝึกปฏิ ing, บัติธรรมก็คือเราสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ได้ไหมนะรู้ทา่ทาทันความคิดได้ไหมนะเพราะจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปรู้เท่าทันอารมณ์ก็ได้แต่แค่เรารู้เท่าทันความคิดก็พอแล้วเพราะความคิดนั่นแหละมันเป็นต้นเหตุให้เราเกิดขึ้นของอารมณ์ต่างๆนะเพราะเมื่อมีความคิ ด, คคดก็ไปปรุงแต่งต่างๆถ้าเรารู้ทันความคิดได้เราก็จะรู้รรทันอารมณ์ต่างๆได้ด้วยนะ เช่นนะมีใครมาด่าแล้วนะถ้าเรารู้เฉยเฉยเราไม่ได้คิดอะไรนะไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเลยเราก็จะไม่โกรธหรอกแต่เมื่อเราคิดว่าเออด่าเราทําไมเนาะเรื่องแค่นี้ทำไมต้องมาด่าเราเราไม่ได้ทําผิดสักหน่อยด่าได้อย่างไรหรือไม่รู้ว่าเราเป็นใคร <c oughs> อันนี้เราก็จะโกรธทันทีนะหรือเราขับรถนี่แหละใครมาปาดหน้าเราเรารู้เฉยเฉยแล้วไม่ได้คิดอะไรเราก็ไม่โกรธ <c oughs> แต่เราคิดเออปาาหน้านี้งันดูถูกเราเนาะ หรือว่าไม่เมรเมื่อกี้ชนไปแล้ว <c oughs> หรือขับภาษาอะไรไม่รู้เรื่องพอคิดมันก็จะโกรธทันทีเลยนะเราจะส่งจิตนะไล่ตามเข้าไปนะไล่ตามคนอื่นไปทั้งสิ้นนะมันเป็นสิ่งหรือว่า <c oughs> มันก็จะความคิดทั้งนั้นนะเราไม่ได้รู้เฉยๆ <c oughs> เพราะฉนั้นนะอันนี้ก็คือทุกเนี่ยเป็นสิ่งเราต้องรู้นะต้องรู้นะรู้ แล้วก็วงเล็บรู้เฉยๆนะขีดเส้นใต้สองเส้นว่ารู้เฉยๆด้วยนะเราก็จะเห็นสภาพวะที่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะตรงเนี้ยเราต้องรู้ให้ทันเพราะฉะนั้นการจักเรเสือกลับมารู้ <c oughs> ขณะนี้เกิดอะไรที่กายหรือใจเรารู้แล้วก็รู้เฉยๆแล้วก็ก็แสดงความเกิดดับเหมือนกับที่พระญาคุณญาได้ทรงเห็นว่า <c oughs> สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดานะเมื่อใดที่เรารู้เฉยแล้วก็จะแสดงความดับ ให้เราเห็นได้แต่ถ้าเราไปแทรกแซงไปจัดการเขาเออมันต้อง <c oughs> มันไม่ดีนะความโกรธไม่ดีต้องดับไปอ่ววาเราก็จัดการโดยวิธีการต่างๆให้มันดับไปนั่นแหละมันไม่ใช่รู้เฉยๆแล้วมันจะเป็นการดับโดยฝีมือเราเองนะไม่ใช่ว่า <c oughs> เขาเกิดแล้ดับโดยตัวเขาเองแต่กลายเป็นตัวเราไปจัดการเขามันจะมีตัวตนเรานะว่าเราทําได้ <c oughs> เราบังคับบัญชาเขาได้นะ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวตนเราตามมาแล้วก็บังคับเขาได้ด้วย แต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้เฉยๆเนี่ยเขาจะแสดงความดับแน่นอนนะไม่ช้าก็เร็วเนะี่ยเป็นสิ่งแน่นอนเนี่ยเราเขาเกิดต้องดับแน่นอนนะเราจะเห็นภาวะธรรมที่เกิดระดับแล้วเราก็จะไม่ยึดติด <c oughs> ในสภาวะธรรมต่างๆเหล่านั้นคราวนี้อ <c oughs> ต่อมาก็อ่สมุทัยนะสมุทัยอันนี้คือสาเหตุแห่งการเกิดทุกอย่า <c> ง <oughs> เมื่อกี้ที่เราก็สวดมาแล้วว่ายายางตันหาปโนโภวิกา นันทิราคะสารตาตะ ต, ะตะะตตะาพินันทินีก็คือยาอย่างตันหาก็คือตันหานั่นเองนะก็คื อ, อเป็นผลทางที่นําให้ไปเกิดใหม่นะอันนี้ก็ได้แก่นันทิราคะได้แก่ความเพลิดเพลินอย่างยิ่งนะในสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเสยยะทีทาง <c oughs> กามตันหาคือตันหาในกามนะคือติดอพอใจเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงโผลพระธรรมลม คำนะว่ากาม <c oughs> ไม่ใช่ห ม, ม, <c oughs> ม, มายความว่าการไม่ในชะ่หมายความว่าการในทางเกี่ยวกับเรื่องความรักความใคร่อย่างเดียวเนาะมันรวมทั้งความเพลิดเพลินยินดีพอใจนะเพลิดเพลินในอารมณต่างๆนี่แหละอ่าคนเรามันมีประตูอยู่หกประตูนะหกประตูนี่แหละมันสามารถที่จะรับกลามได้อมันมีการกระทบเกิดผัสสะคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอ่านะทางกายและทางใจ นแต่ถ้ารวมแล้วนะหกประตูนี้นะมันจริงๆแล้วมันเป็นแค่ประตูเท่านั้นเอง <c oughs> แต่จริงๆมันก็ไปรู้ที่ใจนั่นแหละตาเห็นรูปมก็ไปรู้ที่ใจหูได้ยินเสียงก็ไปรู้ที่ใจจมูกหรือปากกระทบอะไรก็ไปรู้ที่ใจทั้งหมดเพราะว่าใจนี่แหละมันเป็นตัวที่เรียกว่าทาให้รู้เท่าทันเป็นตัวรับอารมณ์ทั้งหลายแหละนะเมื่อรู้เมื่อมีการกระทบอารมณ์มันก็จะเกิด การปรุงแต่งขึ้นมานะเป็นความคิดในสิ่งเหล่านั้นนะหลังนั้นก็ปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆเป็นความรักความพอใจความเบียดความโกรธต่างๆตามมามากมายตรงนี้ถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆที่ไปปรุงแต่งแล้วก็จะปรุงแต่งต่อไปเยาเหยียด ก, กลายเป็นตัญหาเป็นวัฏทานไปนะซึ่งสั่งสิ่งนี้ก็จะนําให้เกิดภพเกิดชาติต่อไป <c oughs> ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าใน ปฏิจจสมบาตก็บอกไว้แล้วว่าออุปทานนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดพบเกิดชาตินะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเวทนาไม่จะเกิดตัณหาคือควางพยานอย่างในลมเหล่านั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีชอบก็ไม่ชอบจะเป็นตัณหาตัณหานําอุปทานคือเกิดการยึดติดเมื่อเกิดการยึดติดในตรงนี้ก็จะนําให้เกิดพบเกิดชาติอย่างแน่นอนนะซึ่งมันจะเกิดภาวะในใจเราก่อนว่าไปยึดติดในตรงนั้นนะพบชาติในใจก็เกิดขึ้นแล้วแต่หากว่าตรงนี้เราแก้ไขพบชาติในใจไม่จบในปัจจุบันชาติ มันก็จะต่อเนื่องไปเกิดเป็นภพชาตินะหน่ า, นาต่อไปอยังไม่มีที่สิ้สุด น, นะก็คือการต้องไปเวียนบ่ายตายเกิด <c oughs> อ่าเพราะ น, นั้นอืตรงนี้นะเราก็ต้องรู้เท่าทันอการมาตัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีเนาะการมีสตินะมันเป็นหนทางที่เรียกว่าประเสริฐยิ่งเพราะเราไม่ได้นั่งหลับตาเฉยเฉยการนั่งหลับตาเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าตรงนั้น <c oughs> ทําให้เรามีจิตที่สงบนิ่งะ แต่จิตสงบนิ่งนั้นถ้ามันไม่ได้เดินปัญญาขึ้นมารู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆเห็นภาวะกรรมที่เกิดแล้วก็ดับไปไมันก็เป็นแค่สมาธิหรือความสงบเฉยเนาะแต่การที่เราสามารถที่จะมาเจอสติคือเราลืมตารู้เท่าทันอารมณ์ต่างในชีวิตประจำวันเราอันนี้คือความจริงที่มันปรากฏในต่อหน้าเราทุกขณะแล้วนะถ้าเราสามารถรู้เท่าทันได้เขาก็จะดับไปแต่ละขณะแต่ะเขาจะไม่ต่อเนื่อง การที่ก็ไม่ต่อเนื่องนั่นแหละมันทําให้ภพชาติมันลดลงโอ้มันจะไม่มีวัฏทานนะไปยึดติดในสิ่งต่างเหล่านั้นมันก็จะเกิดระดับเกิดระดับไปเนี่ยภพชาติจะน้อยลงสั้นลงนะเพราะนั่นการนที่จเจริญสติก็คือเราสามารถที่จะรู้เท่าทันความคิด <c oughs> และรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆได้นะเมื่อรู้ท่าันแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะสั้นลงดับลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะหลังนั้นเขาก็ เมื่อการที่จิตเขามีกําลังสามารถจําสภาวธรรมได้มัน่นยามแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะเกิดได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราจําได้ปุ๊บเขาจะจากไปจากไป น, นันานนๆๆก็ค่อยมาทีาหลังนั้นอาจจะจากไปทาวบอลเลยก็ได้เนาะอันนี้คือหนทางที่ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ในตรงนี้เนาะต่อมาอในสมุดไทยอันที่2ก็คือภาะวะตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะนี่คือตัณหาตัวแน่นอนนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายนะ เราอยู่ในทางโลกเราก็อยากได้นะอยากได้เงินทองซื่อชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆนี่แหละเป็นสิ่งที่ว่าเราอยากได้นะเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมหรือเป็นนักปบัติแล้วก็อยากได้อยากได้สติสมาธิปัญญานี่ก็เป็นตัณหาเหมือนกันนะมันก็เป็นตัณหาในทางทดีๆแต่ก็เป็นสาภาวะอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นความอยากเป็นเพราะว่าตัณหาเหมือนกันนะเพราะนั้นเราก็ <c oughs> รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ไปนะเราไม่ไประดับด้วยความอยาก ผู้บัติด้วยความอยากแม้แต่มีความอยากมันก็มีความทุกข์แล้วเนาะแต่ว่าเราไปบัตรด้วยฉันทะก็แล้วกันด้วยความพอใจไปบัติเพื่อเป็นพุทธบูชานะเพื่อบูชาอาจจะย่บูชาสิ่งเหล่าเนี่ยมันจะทำด้วยไม่ใช่เพื่อตัณหาแต่ทําด้วยความพอใจนะเมื่อมีความพอใจเราก็ไม่มีความทุกข์นะมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วอยากได้เมื่อเราไม่ได้มันก็มีความทุกข์ แต่เมื่อได้แล้วเป็นอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงอีกใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไม่นอนแล้วมันก็หายไปอีกใช่ไหมเราก็จะมีความทุกข์ต่อไปแต่เราทําด้วยความไม่เป็นไรก็คือไม่ต้องไม่อยากเลยทําแบบรู้เล่นๆรู้เฉยๆไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่นี้เราจะไม่ทุกข์แล้วตัวนี้ยจะทําให้เราก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพราะเราจะเห็นภาว่ธรรมนี่้เกิดดับได้บ่อยๆนะมันจะกลายเป็นว่าเราเข้าใจแล้วเอมันไม่เป็นไรนะอเราไม่ทุกข์จากการแบบธรรมอีกแล้วะ เรามาปฏิบัติกันสี่ห้าวันเออมื่อวานไปบัตถามดีนะอะวันนี้มันไม่ดีเนะมื่อวานรู้สึกตัวกือบทั้งวันวันนี้มันอหลงบ่อยอไม่ค่อยรู้สึกสวัสดิ์เราก็ไม่เข้าใจเราก็มีความทุกข์มันมันตกต่ำมันไม่ดีมันไม่ก้าวหน้าออแต่ถ้าเราเข้าใจโอ้ไม่เป็นไรนะมันแสดงอนิจจังให้เราเห็นต่างหากว่าเราบังคับก็ไม่ได้เขาจึงเป็นเช่นนั้นเองอันนี้ก็เรียกว่าเราเข้าใจธรรมะแล้วคือเข้าใจปฏิรยรักษ์ว่าเราบังคับก็ไม่ได้หรอก เขาจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราตรงนี้มันจะกลับมาเห็นความจริงไอตรงนี้แล้วจิตจะเกิดการปล่อยการวางการมียึะติดเนี่ยมันมันมันประเด็นสาคัญในการบัติธรรก็คือตรงนี้นแหละให้กรับเห็นมาใจรักมากกว่าเนาะต่อไปก็คืออ่าสมุทัยตัวสุดท้ายก็คืออ่าวิภาวตัญหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือการผลักใสสิ่งต่างที่เราไม่ชอบใจ อันนี้มันสิ่งที่ไม่ชอบใจนะมันก็ต้องรู้เฉยเฉยมัน <c oughs> ไม่ใช่ไปผักใส่เขานะเช่นความโกรธเป็นต้นอย่างที่ว่า <c oughs> ความโกรธก็คือความทุกขอย่างหนึ่งน ะ, ะมันก็เป็นสิ่งเราแค่รู้เฉยก็พอแล้วอหน้าที่ของทุกก็คือรู้เฉยรู้ก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปผักใส่เขานะเพราะงการโกรธก็คือรู้เท่านั้นเองนะไม่ได้ผักใ ส, ส่ถึงสิ่งต่าง แต่ทุกวันนี้บางคนไปวิบัติทำแล้วก็สิ่งไม่ดีแล้วก็ไปผักใสไปจัดการต่างๆอันนี้อันนี้ก็ผิดทั้งข้อ <c oughs> ทั้งข้อแรก <c oughs> คือเรื่องโกรทุกขแล้วก็คือข้อสมุทรไทยคือวิภาวะตัณหานี้นะเราก็ทุกอย่างก็รู้เฉยๆก็พอแล้วอันนี้หลวงพ่อคําเขียนอ่าท่านบอกว่ารู้เฉยๆนะหลวงอาเทียนบอกรู้ซื่อๆนะอันเนี้ก็คือรู้เฉยๆตัวนี้มันสําคัญมากเลยถ้าเรารู้เฉยๆได้ต่อไปเราจะเป็นผู้ดูได้นะแล้วมันจะเข้ามาสู่ อ, อีกอีกอีกอันนึงก็แล้วกันนะเดี๋ยวเล่าตรงนี้นิดนึ่งว่ารู้เฉยมันสําคัญอย่างไรนะ <c oughs> คือพระพายะเนี่ยท่านมีบา ร, รมีมากนะคร <c oughs> ั้นเนี่ยท่านก็เป็นพ่อค้าในทางทะเลนะสมัยก่อนค <c oughs> ันนี้วันเลิ้งก็เรือสำเภาล่มแล้ว <c oughs> ท่านก็ว่ายน้ําขึ้นฝั่งก็เสื้อผ้ารุดลุยหมดเลยค <c> ร <oughs> ันนี้ท่านก็เลยเอาใบไม้มานุ่งแล้วก็เดินเข้าไปหนึ่งหมู่บ้าน <c oughs> ชาวบ้านก็บอกว่าโอ้เป็นพระละหันแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เอาอะไรนะ <c oughs> ท่านก็รู้ว่าท่านไม่ได้เป็นพระรละหันหรอกแต่ก็รับสมา้างไปชค่นั้นเอง ครั้ <c oughs> นี้วันหนึ่งท่านก็รู้ว่ามีคนมาแจ้งว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วท่านก็เดินทางทั้งวันทั้งคืนเลยนั่งไปฟังพระพุทธเจ้าอขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็บิณสบัดอยู่ก็ไปขอฟังธรรมะพระพุทธเจ้าอ่าเห็นเออบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่แสดงธรรมเดียวกับที่วัดก่อนค่อยแสดงธรรมท่านก็ขอถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าก็คือจริงๆแล้วเห็นว่าตรงเนี้ย <c oughs> จิตของท่านก็ความตื่นเต้นก็ลดน้อยลงไปแล้วเหมาะที่จะ ฟังธรรมก็เลยสแสดงธรรมสั้นๆเท่านั้นเองนะพอะแสดงธรรมตัวนี้จบปุ๊บพระพญยานีบนรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยแล้วก็ได้เป็นเอกาตาค้ะในคำรู้ธรรมได้เลยที่สุดทำมากนั้นคืออะไรเห็นสักแต่ว่าเห็น <c oughs> ได้ยินสักแต่าได้ยินรู้สักตะวันรู้ทราบก็สักแต่วันทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้ท่านจักไม่มีในโลกหน้าท่านจักไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุพละ <c oughs> อันเนี้ยก็คือคำว่าสักแต่ว่าก็คือรู้เฉยรู้ซืึ้งนั่นเองนะตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันยากนะคนทดียวรู้เฉยรู้ซึ้งมันยากมากมันไม่ใช่ง่ายๆหรอกนะเพราะนั้นการกระทบอารมณ์อะไรเนี่ยเราฝึกรู้เฉยได้ไหม <c oughs> ฝึกรู้ซืึ้งได้ไหมไม่ต้องไปแทรกแซงเขาเนาะแล้เราก็จะเห็นภว่รทำที่เกิดแล้วก็ดับตรงเนี้ยมันเป็นหุนทางที่ว่าเราจะเห็นมาไต้ลักแล้วก็สามารถจะพลุดุกได้เหมือนกัที่พะ อัญญาคุณอัญญาท่านเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานั่นเองเนาะน <c oughs> ั่นก็คืออ่าสมุทัยสมุทัยหน้าที่กิจของสมุทัยคืออะไร <c oughs> ก็คือต้องละนะสมุทัยเป็นสิ่งต้องละเพราะนั้นตัญหาเนี่ยก็ต้องรู้ทันแล้วก็ละเข้าไปเนาะต่อมาอันที่สามก็คือนิโรธนะ คำว่าิโลธเนี่ยจริงๆแล้วในความเข้าใจของชาวประชาวพุทธเนี่ยจะเข้าใจพระนิพพานเนี่ยผิดเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> <c oughs> เข้าใจว่าพระนิพพานนี่อยู่บนสวรรค์ชั้นกว่าบ้างอะเป็นเป็นเมืองบ้างนะเป็นเมืองแก้วขอยพบเมืองแก้วขอยแคบบวงมานะเป็นภพเป็นภูมิไปเนาะ ถ้าเป็นพบเป็นภูมิก็มีการเสวยสุขเสวยทุกข์ขขอยู่ดีนะมันจะเป็นนิพพานได้อย่างไรนะมีตัวมีตอนอยู่ในนั้นแล้วไปจะเป็นนิพพานได้อย่างไรการบัติธรรมก็เพื่อให้ละตัวละตนต่างหากเนะาะครา้นี้นะ่ะจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจคํา น, านิโรธเนี่ยจะเข้าใจคํา น, านิพพานเะนาะคําว่านิโรธเนี่ยแปลว่าดับนะทุกข์นิโรธก็คือการดับทุกข์เพราะฉะนั้นนิพพานก็คือการดับทุกข์นั่นเองการถึงน่สุดแห่งทุกข์ก็คือมันไม่ต้องไปอะไรกับมันแล้วเมื่อมันจบก็คือมันจบแล้วไม่ต้องไปอะไรกกัััับบมมมนนนนไไ่่่ตต้ออองปเเืะรแลว ข้ น, นี้นิโรธเนี่ยมันเป็นอย่างไร <c oughs> นิโรธนี่ก็มีกล่าวไว้ว่าโยตัสาเยวะตันหายะอเสสะวิลาคะนิโรโทรจาโคปฏิณิสักโคมุตติอนาลโย <c oughs> นิโรธก็คือต้องเราก็ปฏบัติเพื่อการที่จะวิลาคะก็คือคลายออกจากตันหา คลายออกจากตัณหาทําให้จางคลายจากตัณหาเพราะนั้นจิตต้องคลายออกก่อนนะตัณหาเนี่ยมันเราต้องรู้เท่าทันแล้วมันจะคลายออกได้ถ้ารู้ไม่เท่าทันมันจะไม่คลายออกจิตมันต้องคลายจากตัณหาคือการอยากได้การอยากมีอยากเป็นอ่าทั้งหลายแหละนี่แหละเมื่อจิตคลายออกมันจะเข้าสู่อันนี่โลดได้คือวิราคาต่อมาก็นี่โลโทคือการดับไม่เหลืองตัณหาจาโคคือการสละออกของตัณหาปนิสัคโคการสลัดคือของตัณหามุตติคือการปล่อยการวางงตัณหา <C oughs> อนารโย on, คือการทําให้ตัณหาไม่มีทีอ่นะอาศัยเนาะเพราะนิโรดนี่จริงๆแล้วไม่ยากนะมันก็คือการที่เราทําให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยนั่นเองนะเมื่ อ, ม อ, มอไม่มีที่อาศัยแล้วตเมื่อตัณหามันไม่มีที่อาศัยปุ๊บมันจะไม่เกิดอุปทานนะอุปทานเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติก็จะจะดับไปนะเพาราะตัณหานี่เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องรู้รู้ทันแล้วก็ทําให้เขาหมดไปให้เขาดับไปนี่แหละมันจะไม่เกิอดอุปทานต่อมานะเมื่อเกิดไม่มีอุปทานแล้วจะไม่มีภพไม่มีชาติ อย่างแน่นอนนะเพราะนั่คือการดับภพกบับชาติดับสังวรบัตในตรงนี้นั่นเองนะต่อมานะก็คืออริสัตข้อสุดท้ายคือมักมักมีองแปดนะฮะ น, นี้ก็คือหนทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์นั่นเองนะครั้นี้มีอะไรบ้างมักมีองแปกก็มีสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบนะอันนี้ก็คือเราต้องเห็นนะาการเห็นชอบเนี่ยถือเป็นปัญญานะเห็นในอะไรก็เห็นในอริสัต4นั่นเองนะเห็นสภาวะต่างๆ ที่เขาเกิดแล้วก็ดับตามความเป็นจริงในลิสัสสีนั่นแหละไม่ใช่ตัวเมตใช่ตนไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาตรงเนี้ยก็คือเห็นสภาพว่าของมตยลักษในลิสัสสีด้วยเนาะเมื่อไปบัตธรรมแล้วก็ต้องเห็นมติรักนะถ้าไม่เห็นมตลักมันจะมันจะจิตถ้าไม่เกิดการปล่อยการวางกามีติดในภาวะธรรมต่างๆเนาะต่อมาก็คืออ่าสัมมาสังกัปโปคือกำลังหลีกชอบมีความเห็นชอบเนาะต่อมาอันที่สามสัมมาวาจา เจาจาชอบอันที่ 4, สี่สัมมากรรมโตมีการงานชอบอันที่ห้าสัมมาวายะสัมมาอาชีโวการมีอาชีพชอบอันที่6สัมมาวายาโมการมีความเพียรชอบอันที่เจดสัมมาสติการระลึกชอบอันสุดท้ายอ่าอันที่แปดสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบเนาะอันนี้ถ้าเร า, าจเจริญในตามนี้แล้วมันก็สามารถที่จะสรุปลงได้ว่าให้สั้นๆลงนะมีศีล มีสติมีสมาธิมีปัญญานั่นเองเนาะครา้นี้นะตรงเนี้ยสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเมื่อเรามีสติแล้วนะมันก็จะเป็นมีศีลด้วยใช่ไหมอะครั้นี้หลวงพ่อคำเขียนก็เคยยกตัวอย่างในตรงนี้ไว้ว่ามีเสือตัวหนึ่งนะที่มันดุร้ายมากเอามาเอามาขังเอาไว้นะท่านบอกว่าอ่าเอาลูกกงห้าซี่ก็มาขังไม่อยู่ ลู ก, กง8ปซี่ก็ขังไม่อยู่ลูกกง1ิบซี่ก็ขังไม่อยู่ลูกกง227ยซี่ก็ยังขังไม่อยู่เลยนะอันนี้หมายความว่าแม้แต่อาการเป็นพระที่มีศีล227นี่แหละหรือเป็นโยมมีศีลห้าก็ขังเสือตัวนี้ก็คือตัณหาเนี่ยมันมันขังไม่อยู่แต่ถ้ามาว่าถ้าเอาลูกกงมาซี่เดียวสามารถขังเสือได้อยู่ลูกกงตัวนั้นคืออะไรคือสตินั่นเองนะสติเนี่ยมื่อเมื่อเรารู้เท่าทันแล้วนะมันก็จะมีศีลเห็นไหม มีศีลแล้วก็มีสมาธิมีปัญญาตามมานะอันนี้เมื่อมันมีศีลมีสติมีสมาธิปัญญาก็จะขังเสืออยู่นะในสุเสือก็จะตายไปนะเพราะว่าเราขังเขาแล้วมันก็จะอดตายในที่สุดนะเพราะเมื่อเรามีสติแล้วนะมันก็จะมีถ้าไม่มีสมาธิมีปัญญาตามมาอย่างแน่นอนนะตรงเนี้มันเป็นสิ่งสําคัญว่าเราต้องมาเจริญสติเพื่อเหตุนี้นั่นเองนะเพื่อที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเรา เมื่อรู้เท่าทันแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะค่อยๆเช้าค่อยๆเหี่ยวค่อยๆตายไปในที่สุดก็เมือเสือหรือตันหาก็ค่อยๆตายไปเพราะเมื่อเรารู้เท่าทันแล้วก็จะปรุงแต่งต่อไม่ได้นะจิตก็จะเกิดการตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะอะการที่เราจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละมันจะไม่ไป็ผู้เป็นนะอันนี้หลวงพ่อคำเขียนก็ยังเน้นไว้ว่าเออให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเห็นไม่เป็นนะ ตรงนี้ถ้าเราไปบัตรไปช่วงหนึ่งแล้วเราก็จะเป็นผู้ดูได้นะเมื่อเรารู้เฉยเฉยมันจะกลายเป็นผู้ดูไปเราเห็นทุกอย่างนะไม่เป็นไรเห็นความโกรธขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะจิตตรงนี้มันจะกลายเป็นผู้ดูไปนะแต่ถ้าเห็นความโกรธแล้วมันเป็นไรนะมันไม่เป็นผู้ดูเป็นผู้เป็นไปนะก็คือจิตมันมันช่างมันมันไม่เป็นไรกับอะไรนั่นแหละเป็นไปผู้ดูนะอ่าความโกรธความรักความชังเมื่อก่อนเราเป็นผู้โกรธเป็นผู้รักผู้ชังเมื่อเราเป็นผู้ดูก็เห็นความรักความชังความโกรธอ่าเป็นสิ่งถูกดูนะ ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นมันแยกกายแยกใจแยกจิตออกมามาทั้งหมดเลยเราเดินจงกรมก็ดูกายเราเป็นผู้ดูไปมันมันแยกกายนะอันนี้แยกรูปแยกนามดูกายเขาเดินไม่ใช่เรายกมือก็เห็นกายเขาสร้างบวชไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดก็เห็นกายก็ทํางานไปแล้วเป็นผู้ดูมันแยกมานิดนึงนะมันไม่ใช่แยกแบบแยกแยกแยกอะไรทั้งหลายแหล่อะไรนั่นหรอก แต่ไมไม่จะเป็นแยกที่ลึกลึกลับอะไรนะอะ่บางคนนึกว่าเป็นแยกจิตออกมาก็มีไม่ใช่แยกจิตออกมานละัเราแค่ถอยไปเปดูนิดเดียวดูใครก็ทํางานอดูดูเข้ากายทางานนะดูตอนนี้ยกมือก็ดูกายยกมือนะดูเป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะมันไม่ยากดูต่างๆเหราเนี่ยมันเห็น น, น, นั่นมันแยกลูกแล้วนะอ่ามีความคิดก็แยกมาเห็นความคิดมันทํางาน มีความโกรธก็เห็นความโกรธทํางานนะมันมันเห็นเห็นใจก็ทํางานเห็นจิตใจก็ทํางานเพราะฉะนั่นตรงนี้เราเห็นกายและใจมันแยกไปแล้วเนี่ยมันแยกแยกรูปแยกนามได้แล้วนะแยกธาตุแยกขันธ์ตรงนี้เป็นผู้ดูไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งให้ถูกดูคือกายอความคิดหรืออารมณ์เป็นสิ่งที่ดูดูนั่นไม่ใช่เรานะสิ่งใดที่ถูกดูนั่นไม่ใช่เรานะมันเป็นแค่ผู้สิ่งถูกดูเท่านั้นเองนะมันจะแยกในตรงนี้ได้เพราะนั้ หลวงพอ่อคำเขียนก็เคยเล่าว่ามีนักปฏิบัติคนหนึ่ง <c oughs> ก็มาถามหลวงพ่อว่าถ้าวันนี้หนูเครียดมากหลวงพ่อบอกให้ถามใหม่อก็เลยถามว่าวันนี้หนูเห็นความเครียดหลวงพ่อบอกว่าเออใช้ได้แล้วนะก็คือเราเห็นมันไม่ได้เป็นผู้เป็นเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นเป็ น, ปนการปฏิบัติที่มันมันดีนะอ่าตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ออกจากความทุกข์ได้ไม่ไปผู้ ด, ดูนะหลวงพอ่อคำเขียนบอกว่า น, นี่ยแหละคือเพชฌฆาตธรรม ถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งต่อมาเมื่อเราเห็นเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นแล้วจิตก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็มาแล้วก็ไปไม่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะนั้นจิตก็เลยไม่ได้ยึดมั่นอะไรเลยแล้วก็รู้ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ตัวไม่ไม่ตนของเราสภาวะมันมีแต่ความเกิดความดับไม่ตัวไม่ตนของเราอ่าตัวตนเราอยู่ในไหนมันก็ไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้ทุกอย่างมีแต่ความไม่เทียงเป็นทุกข์ปนนตา ตรงนี้มันจึงไม่ตัวไม่ตนเราแต่เราบังคับก็ได้ก็ต้องเป็นตัวตนของเรานะตรงเนี้มาเข้าตรงนี้แล้วมันก็จะกลายว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะเรือว่าคำเขียนมาว่าการที่เราไม่เป็นอะไรกับไรนั่นแหละอันนี้เป็นมงกุฎแห่งธรรมนะตรงนี้ก็คือเข้าสู่ความพุทุกข์ได้แล้วนะเพราะจิตมันไม่เป็นอะไรกับไรแล้วจะอะไรก็ได้มันก็จิตมันก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะมันก็ไม่ ไม่ได้ยุ่งนะมันก็ช่างมันไปไม่เป็นการรู้ทุกอารมณ์นะ <c oughs> จะโกรธก็ได้จะรักจะช่างมันก็ไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจไม่เกี่ยวกับเราเรามีหน้าที่รู้ไม่ไมีหน้าที่ดูไม่ได้หน้าที่ยึดอะไรนะเพราะการที่เราเข้ามาเห็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเนีอันนี้คื อ, อสภาวะธรรมที่เราเข้าใจปัตรักแล้วเนะพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจปัตติักแล้วจะเห็นว่ามันกายและใจมันทำงานเองทั้งหมดนะั้นไม่ใช่เราทั้งซึ่งซิ้นเลย มันเกิดการไม่ยึดติดเกิดการปล่อยการวางนะแต่เมื่อไรที่มันทํางานมันเป็นตัวเรามันจะยึดติดทั้ทุกอย่างนะการที่มันไม่ยึดติดเกิดการปล่อยเกิดวางนั่นะแหละมันเป็นการละสมุทัย <clears throat> แล้วก็เป็นการเข้าสู่การละปฏิจจสมบาติะานะแล้วเป็นการละสักกริธินะวิจิฉาสิรปัตตบรมาสนะซึ่งเป็นอุใส่นะมันก็เป็นเป็นการละสังโยชน์สิบเมื่อละสังโยชน์สิบได้และก็เป็นพระลาหน์เนาะ มันก็คือตรงนี้นั่นเองมันเป็นหนทางเรียกว่าว่าการเจริญสตินี้มันก็เป็นหนทางการพูดพดได้นั่นเองเพราะมันเดิมเดินตามวิธีทางการเจริญสติแล้วก็จะมีสมาธิมีปัญญาตามมาเนาะเพราะนั้นตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันยากเกินไปถ้ามันยากไปไม่มีใครบรรลุเป็นพระอรหันต์หรอกแต่ว่าคนบรรลุเป็นมระรันต์ก็มีอยู่จริงนะพวกเราก็มีโอกาสทุกๆคนเนาะถึงไม่ได้เป็นบรรลุบ้านพระอรหันต์เมื่อเราเข้าใจธรรมมาแล้วจะรู้สึกว่า ความทุกข์ในใจเราก็ลดลงไปเองนะจะสังเกตก็ได้ว่าเขาก็ลดลงไปจริงๆนะไม่ได้ลดเล่นๆมันก็เบาไปจางไปหายไปเหมือนกันนะนี่แหละคือคนทางแห่งความบุนแรได้นะอคราวนี้เราเป็นเป็นส่วนใสญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นพยาบาลนะหรือว่าเกี่ยวกับสาธารณสุขเนี่ยตรงนี้นะเราจะมีงานต่างๆเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายมหาศาลเนาะวันๆหนึน่งก็จะมีคนไข้มาโรงพยาบาลมากมายนะอะบางทีเราจะรู้สึกว่าโอ้ จะแห่กันมาท้อกระถิ่นหรือผระป่ายังไงเนาะมากันมากมายนะเรารู้สึกมันหงุดหงิดหน้าลาคานหน้าเบื่อมาก็เป็นร้อยๆหรือเป็นพันๆคนนะมันหน้าเบื่อหน้าหงุดหงิดพอแต่เชา้าล้วก็รู้สึกมัหงุดหงิดแต่เช้าแล้วเนาะอันนี้ให้ระวังใจใหมเนา ะ, ะใจเราเนี่ยต้องมีเมตตานะคืออาชีพหนึ่งเน่ะที่ได้บุญเยอะก็คือการอเกี่ยวข้องกับคนไข้นี่แหละเป็นหมอเป็น พ, พยาบาลเนี่แหละเพราเมื่อใดยง แม้แต่เรามีเงินเดือนนะเราได้รับเงินเดือนแต่ถ้าเร า, าทำงานาทำการรักษาหรือทำหน้าที่ของเราด้วยความมีเมตตาเจตนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขาพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยพ้นจากความทุกข์อันนี้เป็นบุญแล้วนะแค่เราเจตนา น, นี้เป็นบุญแล้วแล้วเมื่อเราทําด้วยความเต็มใจทําด้วยความยินดีทําด้วยฉันทะทาด้วยความพอใจเราจะมีความสุขในงานเราจะรู้สึกไมนไม่น่าเบื่อนะแต่ว่าเราทำเนี่ยเพื่อช่วยมนุษย์ตาดำดำช่วยเพื่อน เกิดแก่จาบตายให้เขาพ้นจากความทุกข์นี่แหละด้วยความเมตตาด้วยจิตที่มีเมตตาเช่นนี้แล้วแหละใจที่มีเมตตากรุณานี่แหละมันออยากเขาพ้นทุกข์มันจะเป็นบุญด้วยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยให้เราคิดว่าเราทํางานเราได้เราได้เงินเดือนด้วยเราเราได้บุญด้วยนะทำด้วยความรากักด้วยความพอใจด้วยฉันทะวิยญาจิตตังมังสาเนี่ยตรงนี้จะเป็นความสําเร็จในชีวิตเรานะถึงมันจะยุ่งยากขนาดไหนก็ไม่เป็นไรเราทําไปเถิะนะ ทำแล้วมันได้บุญน่ยดีมากแล้วเราก็ฝึกจิตนสติแล้วเราก็นําสติแล้วเนี่ยไปใช้นะไปใช้ในตัวเราเองด้วยนะเ <c oughs> มื่อเราใช้จนทํานานไว่าน้ําเป็นแล้วเราไปไปไปช่วยคนไข้ต่อนะอาจจะมีคนไข้ที่ต้องการดูแลรักษาในทางใจหลายๆคนไม่ใช่ว่าจะแป่วยกายอย่างเดียวนะครับป่วยใจเราก็เอาเนี่รักษาเขาทางกายแล้วรักษาทางใจด้วยเขาหายป่วยใจนะเมื่อเราว่ายน้ําเป็นแล้วก็ช่วยก็ว่ายน้ําเป็นได้นะออกจากความทุกข์ได้ตรงเนี้ยสาคัญมากนะ อ่าคนไข้ที่ใกล้จะตายแล้วก็นําทางให้เขาในจิตเขาในเบิกบานให้มีความสุขให้มีสติเนะให้มีสมาธิมีปัญญานะให้เขารู้สึกตัวเนี่ยใช่ไหมเราสามารถสอนเขาได้นะาคนป่วยบางคนนะเขาต้องการดูแลทางใจมากกว่าทางกายอีกใช่ไหมเมื่อเราดูแลทางใจเขาได้เขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่มีเขาจะมีความหวังแม้แต่ตายเขามีความสุขจิตที่สุดท้ายนะสําคัญมากเมื่อเจ้าตัดไปว่า จิตเตสังเนตเถทูติปลาติดขามเมื่อจิตเศร้าหมองและวทูติดเป็นอารงบางไดนะ้เพราะฉะนั้นคนไข้บางคนนะจิตจะเศร้าหมองมากก่อนตายนะอันนี้ถ้าเราไปเปลี่ยนเขาจิตเขาไม่เศร้าหมองให้จิตเขาผ่องใสนะตรงเนี้มันจะทําให้เขาไม่ไปสู่ทุกตินะเขาจะไปสู่สุติได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราสามารถทําได้เพราะเรามีโอกาสใกล้ชิดนะมีโอกาสที่ว่าช่วยก็ได้นะอันนี้เราทําได้ก็ทําไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อย่าไปกลับบ้านไปแล้วไม่ใช่ว่า เราก็เลิกไปบัตรไปเลยนะเหมือนกับเราได้ต้นกล้าไปเนี่ยกลับไปไปวางไว้เฉยๆนะ่ะเจ็ดันต้นกลาตายแน่นอนนะแต่เราต้นกล้าไปลงดินลดน้ำพรวดินเนี่ยนะต้นกาก็โตใหญ่เป็นต้นไม้ให้ความร่มเย็นร่มเง า, าเราได้ฉันได้นะเราก็นําไปฝึกไปบัตรต่อนะเมื่อเราฝึกแล้วเราเป็นแล้วเราก็ไปนําสิ่งเหล่าเนี่ยทําให้เป็นประโยชน์กับคนไข้ได้ด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นประโยชน์กับผู้ ป, ป่วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ยายพี่น้องนะแก่พระศาสนาด้วยนะ เพราะในในท้ายสุวนี้ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระตไตน้อมนำรุ่ท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาละถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพ่านรุกท่านเทิน